ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระตาถรัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปพระปุพรสิกขาและปุพรสิกขาวันนานาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสโรเจนาต่อไปจะเป็นสุทธิกะปาจิตตีในวัคที่แปดชื่อว่าสหธรรมนิตวัตรประดับด้วยสิกขาบทสิบสองสิกขาบท สหารรมนิกปสิขาบทที่หนึ่งความว่าที่สุใดประพฤติอนาจารอยู่ที่สุดทั้งหลายอื่นห้ามปรามว่ากล่าวด้วยสิขาบทบัญญัติกลัวจะเป็นอาบัตเพราะไม่เอื้อเฟือเธอแกล้งกล่าวเป็นเลขไปว่าเรายังไม่ได้ถามทิกสุอื่นซึ่งเป็นพระวิเนทอนผู้ชนาตราดใดเราจะยังไม่ศึกษาในสิขาบทนั้นก่อนดังนี้ต้องอาบัตาตาจิตตีทุกๆุกคำเลย วิสัยผู้จะศึกษาเนี่ยจําจะต้องรู้ให้ทั่วถึงต้องไต่ถามเนื้อความในปาฐะนั้นๆต้องคิดเปรียบเทียบอันนี้แหละเป็นความชอบยิ่งในธรรมนั้นในอุปสัมบันินั้นเป็นติกะปาจิตตีก็คือถ้าอุปสัมบันิว่ากล่าวนับเรื่องในสุขาบทก็คือประวิจุ ด, ด้วยกันว่ากล่าวถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็จะทําให้ต้บัตปาจิตตีแต่ถ้าเป็นอนุสัมบัติ ก็เป็นติดกับทุกกฎก็เป็นอุปสมบทติดกับปัจจิตีจะรู้ว่าเป็นอุปสมบันิหรือว่าเข้าใจว่าเป็นอนุสมบันิหรือว่าสงสัยก็ตามว่าติดกะปัจจิตีแต่ถ้าเป็นอนุสมบันิว่ากล่าวก็เป็นติดกับทุกกฎเข้าใจว่าเป็นอนุสมบันิหรือว่าเข้าใจว่าเป็นอุปสมบันหรือว่าสงสัยก็ตามถ้าเป็นอนุสมบันิก็ติดกับุกกฎอุปสมบันหรือว่าอนุสมบันินั้นตักเตือนว่ากล่าวด้วยข้อไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่พระบัญญัติในปริวิณในในปฏิโมกเน้นนะเป็นประสูหรือว่า ข้าพิธารรมด้วยคำเป็นต้นว่าทำอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อสันเลขะเพื่อกันสักกิเลสและเธอกล่าวผัดเพี้ยนดังก่อนนั้นเต็มแต่ทุกกฎครั้นโดยกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรู้ข้าพเจ้าจะศึกษาดังนี้ก็ดีและที่ถูกบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัติก็คือไม่ต้องอบัตสุขภาบทข้อ น, นี้ก็เป็นอนาณสาิกะใช้ให้กล่าวอย่างนี้ไม่เป็นคนกล่าวจะเป็นมีองรรสองคืออุปสัมพันธ์ ว่ากล่าวด้วยพระบัญญัติอย่างหนึง่งกล่าวผัดเที้ยนไปดังนั้นด้วยหวังจะไม่ศึกษาอย่างหนึง่งพร้อมด้วยองสองนี้จึงเป็นปาจิตติสมุทรทานวิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยอาจินนาทานทิศาบทแ ต, ต่ทิศาบทนี้ก็เป็นทุกขเวทนาสมุทรท า, า, า, านขออาจฉริณทานทิศาบทก็มีสามก็คือกายจิตอย่างหนึง่งวาจาจิตอย่างหนึง่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาด้วยเพราะว่ามีการกล่าวแล้วก็ ขันยามวิโมกขจจตุกะโลกกวัชชะกายกรรมปจีกรรมเป็นอกุศลทุกเวทนาในวิเลคณะสิกขาบทที่สองก่อนสิกขาบทพิกตุใดเมื่อพิกตุอื่นท่องสวดบอเรียนศึกษาปาติโมกอยู่และลาวติเจนสิกขาบทว่าจะต้องการอะไรด้วยการเล่าเรียนสิกขาบทน้อยและน้อยโดยลําดับเหล่านี้การเล่าเรียนสิกขาบทน้อยแล้วก็น้อยโดยลําดับก็คือ กุตกะสิกขาบทบอกว่าปาดิโมนี้เล็กน้อยใครเล่าเรียนสิกขาบทเหล่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อความรังเกียจเดือดร้อนสําคัญใจเท่านั้นเองเพราะติดเตียนสิกขาบทดังนี้ต้องปาจิตตีในการติดเตียนแก่อุปสัมบัญเป็นติกะปาจิตตีในการติดเตียนสิกขาบทแก่อนุสัมบัญเป็นติกะทุกฏในการติเตียนพ ร, รมอื่นคือพระสูตรและพระอภิธรรมแก่อุปสัมบัญหรือว่าอนุสัมบัญทั้งสองนั้นเป็นทุกฏ ไม่ประสงค์จะติเตียนกล่าวว่าท่านจงเรียนพระสูตรหรือว่าอภิธรรมและภาถาเสกเอ่อนเถิดภายหลังจึงค่อยเรียนวิหนัยดังนี้และที่ถูกเป็นบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบับดิษิาขาบทข้อนี้เป็นอนานติกะทให้คนหน่งไปพูดติเตียนสกขาบทโดวเองก็ยังไม่ต้องสุขาบทข้อนี้ยังไม่ต้องอบับดิข้อนี้คนพูดต้องมีองคศอก็คือใคร่จะติเตียนหนึ่งติเตียนสกขาบทในสำนักของอุปสำบาลหนึ่ง พร้อมด้องค์สองนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุดฐานนิทีเป็นต้นก็เหมือนกันอาทินาทานสิกขาบทมีสมุดฐานสามกันปาจิตติกะโลกาบชะแต่ว่าสิกขาบทนี้ก็เป็นทุกขเวทนาเพราะว่าไม่อืบเฟือกล่าวจิเตียนสิกขาบทมาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติสิกขาบทก็ไม่เคารพสิกขาบทเขาเท่ากับไม่เคารพพระพุทธเจ้า น, นั่นเองในโมหนะนาสิกขาบทที่ 3, สามแง่งทำหลง ความว่าพิกตุใดประพฤติอนาจารอยู่ก่อนแล้วครั้นปาทิโมกสงสวดอยู่ทุ ก, กึงเดือนวันอุโบสถมาสองครั้งสามครั้งแล้วได้ยินรู้อยู่หวังจะให้พิกตุอื่นสําคัญว่าตนต้องอาบัติด้วยความไม่รู้แกล้งกล่าวว่าข้าพรเจ้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าสิกขาบทนี้มาในปาทิโมกเนื่องในปาทิโมกมายังอุเทศทุ ก, กึงเดือนดังนี้ถ้าพิสูจทั้งหลายอื่นเล่าก็รู้อยู่ด้วยว่า เธอนี้เคยยังนั่งฟังปาติโมกสงสวดมาสองครั้งสามครั้งแล้วดังนี้เธอนั้นต้องทุกตก์เพราะแกล้งทําหลงอบัตใดเธอต้องเพราะประพฤติอนาจารในการก่อนนั้นเธอจะพ้นอบัตนั้นด้วยการแกล้งทําไม่รู้ป่าหาไม่ก็คืออบัตอะไรที่ประพฤติผินมาก็เป็นอบัตตามนั่นแหละให้พระวินยัยธรพึงปรับตามโทษที่เป็นเทสนาคามีนี แสดงอบัตคืนได้หรือว่าเป็นวุฒฐานคามินีก็คือพวกอบัตสงฆ์ที่เศษต้องอยู่กรรมเถิดและสงพึงซ้ำทมโมหาโรปนกรรมแก่เธอนั้นก็คือทมยติทุติยกรรมวาจารให้ยิ่งขึ้นไปด้วยว่าทมโมหาโรปนกรรมนี้ก็คือสวดประกาศในความเป็นผู้แท้งทำหลงครั้นกรรมนั้นสงธรรเป็นธรรมเสร็จแล้ว เธอแกล้งทำหลงอีกก็ต้องอบัตตาจิตตีสั้งอบัตตาจิตตีสมุดฐานสามเหมือนทินาฐา น, นกันเป็นกิริยาสัญญาอิโมสจิจิกะโล ก, ว, กวัชชะไตรกรรมะชีกามอุตตรจิตแต่ว่าเป็นทุกเวทนานอคินาฐานสิกขาบทนั้นเป็นเวทนาสามโดยสมุทฐานกายจิตวาจาจิตกาวาจาจิตแต่ว่าอันนี้ก็สมุทฐานเหมือนการตเวทนาต่างอันนี้เป็นเวทนาทุกเวทนาต่อไปในปราระสิกขาบทที่สี่ ความว่าทิสุใดโกรธแทนแล้วให้ประหารแก่ทิสุอื่นด้วยกายหรือของนึ่งด้วยกายหรือว่าซัดขว้างไปเป็นปาจิตตีแม้ทิสุต้องประหารนั้นตายก็คือผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยตายก็เป็นคงเป็นปาจิตตีเพราะว่าไม่ได้เจตนาฆ่าเจตนาทำร้ายเพราะปรารถนาจะประหารอย่างเดียวในอุปสัมบัติเป็นติกาปาจิตตีในอนุสัมบันิเป็นติกาทุกฏ มีประสงค์จะทําให้เสียรูปก็คือเสียโฉมเชื้อดัดหูเป็นต้นแห่งอุปสมบันิหรืออนุสมบันิก็เป็นทุกข์ผู้ใดผู้หนึ่งมาเบียดเบียนจากทุบตีด้วยประสงค์จะให้ตนพ้นอันตรายจึงให้การประหารก็ดีก็คือป้องกันตัวและปิจุเป็นบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัติก็ป้องกันตัวนี้ก็ไม่มีนนบัติ์สิทธาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะมีองค์สามโปรดแค้นหนึ่ง ไม่มีประสงค์จะให้พ้นอันตรายหนึ่งแล้วก็ให้ประหารแก่อุปสัมบัติก็คือพิกจุด้วยกันพร้อมด้วยองค์ศามนี้จึงเป็นปฏิติเสมุทธรรมวิธีเป็นต้นเหมือนด้วยปฐมป ร, ราชิตแต่สิกขาบทข้อนี้ก็เป็นทุกขเวทนาปฐมป ร, ราชิตมีสมุทฐานหนึ่งก็คือกายจิตเป็นจริยาสัญญามิโมเป็นสัจจิติกะเป็นโลกวชัวชชอกุศลไดจ็ดแล้ก็มีเวทนาสองปฐมป ร, ราชิตเสมาทุนนะนะเป็นสุกสมนัต แต่วันในที่นี้เป็นตาคุตลเวทนาอย่างเดียวก็แสดงว่าเป็นโทสามูลจิตในตรัะสัตติกะสิกขาบทที่ห้าเนื้อหอกคือฝ่ามือนะทิศสุดใดเนื้อเนื้อกายหรือว่าของเนื่องโดยกายแม้ใบอุบลแก่ทิศตุวอื่นด้วยความโกรธดดแท้นต้องพาจิ ต, ตีแค่เนื้อฝ่ามือหรือว่าเนื้ออาวุธอะไรต่างต่าก็อบัติแล้วนะ ถ้าเธอเงื้อเหงือขึ้นแล้วพลังไปประหารลงไซตต้องทุกข์กดเพราะว่าไม่ได้เจตนาประหารเจตนาเหงือกแต่วันพลั้งลงไปเพราะไม่ประสงค์จะประหารด้วยประหารนั้นอวายุวะใดมีมือเป็นต้นแตกหักไปก็เป็นทุกข์กดอย่างเดียววิธีฉายทั้งปวงนอกนี้พึงรู้โดยในายศิษยาบทอันกล่าวมาแนละ้วในก่อนนะจะเหมือนกับสมุทฐานเหมือนกับสมบัา ร, ร, ราชินีเมือนการแต่ว่ามีทุกขเวทนาเหมือนกับประหารศิษยาบทนนั้นเอง ในคติขาบททั้งสองนี้แม้สัตว์เดรัจฉานก็ชื่อว่าอนุสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นไปประหารไปตีพวกสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ก็ต้องอบัตทุกกฎปไปเงือกเงื้อไปคว้างตปปาอะไรก็แล้วแต่สัตว์เดรัจฉานนี่ก็อบัตทุกกฎเหมือนกันก็สอนให้มีกรุณามีเมตตาไม่ให้เบียดเบียนใครๆแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉาน ในอ牟และกาสิขาบทที่หกความว่าภิกษุใดโจรเองหรือว่าให้ผู้อื่นโจรซึ่งภิกษุด้วยอบาสังฆาทิเศษสิบสามข้อข้อใดข้อหนึ่งที่ไม่มีมูลคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเธอนั้นต้องถ้าเธอผู้ต้องโจรนั้นรู้ตัวว่าเขาโจรเราดังนี้ในขณะนั้นไซเป็นปาจิตีแก่ผู้โจรเป็นปาจิติถ้าโจรประชิดไม่มีมูลนี้ต้องอบาสังฆาทิเศษ โจทย์อบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูลต้องอบัตปาจิตตีโจทย์อาบัตปาจิตตีทุนรักใจปาสีเดสุญญะเป็นพวกอาจารราวิบัติเหล่านั้นเนี่ยต้องอาบัตทุกกฎถ้าโจทย์โดยไม่มีมูลทีลต้องราบัตทุกกฎในอุปสัมบัติเป็นติกะปาจิตตีโจทย์ด้วยอาจารราวิบัติฏิวัติทิฏฐิวิบัติไม่มีมูลเป็นทุกกฎในอนุสัมบัติโจทย์อนสมบันิก็เป็นติกะทุกกฎสำคัญว่าเธอต้องแล้วโจทย์ตามความสำคัญนั้น หรือว่าพิกตูบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัตไม่เป็นอบัติสิกขาบทข้อนี้เป็นสารติการแสดงว่าใช้ให้คนอื่นไปโจทย์ก็เป็นอาบัตเหมือนกันคนใช้ก็เป็นคนโจทย์ก็เป็นมีองค์สี่ก็คือผู้ที่ต้องโจทย์เป็นอุปสมบทหนึ่งอาบัตสังฆาทิเศษไม่มีมูลหนึ่งโจทย์เองหรือว่าให้ผู้อื่นโจทย์หนึ่งผู้ต้องโจทย์คือผู้ที่ถูกโจทย์รู้ตัวในขณะนั้นหนึ่งพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาจิตตี สมุดฐิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยอธินนาทานสิกขาบทแต่ว่าสิกขาบทนี้ก็เป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นก็เกิดด้วยส่วนฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาอิโมกสิกิจตะเป็นโลกวัชชะอุโธราจิตกายกรรมมจิกรรมแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาเท่านั้นขน้อนี้ต่อไปสันจิตจะสิกขาบทที่เจ็ดห้ามว่าทิสุใดแกล้งทําความรําคาญให้เกิดขึ้นแก่ทิสุอื่นด้วยกล่าวว่า ท่านเฉลยอายุยังไม่ครอบอยี่สิบบวชไม่เป็นอุปสมบันิท่านไม่เป็นพระพิสุโลคชฉอยท่านฉันอา mith ในเวลาวิการหรือว่าบอกสงสัยท่านเจ็ดฉันอาหารนึ่งรายการนั้นเนี่ยตามงปัสกิจตีแล้วชฉอยท่านจะดื่มน้ำเมานั่งในที่รับกรรมฐ า, ามไม่มีเหตุแกล้งกล่าวเล่นให้เธอนั้นร้อนใจดังนี้ต้องปาจิตตีทุกๆคำในอุปสมบันิเป็นติกาปัสกิจตีในอนุสัมบันิเป็นติกาทุกกฏ ไม่ปรารถนาจะให้เธออื่นรำคาญใจกล่าวอย่างนั้นด้วยแส่งหาประโยชน์แก่เธอนั้นอย่างเดียวและวที่ถึงบ้านเป็นต้นเป็นอาณาบัติทิกขบขข้อ น, นี้เป็นอนาานณิติกะใช้คนอื่นเข้าไปแกล้งก่อความรำคาญคนแกล้งคนนั้นอบัติคนไม่แกล้งก็ยังไม่ต้ออบัติข้อนี้แต่ว่าก็มีโทษมีอบัติชักชวนในสิ่งที่ไม่ควรมีองค์สามก็คือผู้อื่นเป็นอุปสมบัติอย่างหนึ่งหวังความไม่ผาสุกแก่เธอนั้นหนึ่ง ทำความรำคาญให้เกิดขึ้นดังนั้นครบองคศานี้ถึงจะเป็นปฏิติสมทุทานนิทีเป็นต้นก็เหมือนด้วยสิกขาบทในลำดับมาก็คือเป็นอจิ า, าทานสมุทานนั่นเองสมุทานสามนะ่รเป็นทุกเวทนานต่อไปอุปสุติสิกขาบทที่แปดความว่าพิสุดใดเมือ่อพิสุอื่นทะเละวิวากันอยู่แล้ว การ์นาจะแอบฟังว่าเธอเหล่านั้นจะพูดอะไรพูดอย่างไรเราจะฟังและหวังจะโจดท้วงด้วยและเดินไปเป็นทุกกดทุกทุกก้าวแม้อยู่ข้างหลังเดินรีบขึ้นไปให้เร็วหรือว่าอยู่ข้างหน้าแกล้งทําให้ช้าลงมาก็เหมือนกันยืนในที่ใดได้ยินเสียงหยุดยืนฟังในที่นั้นเป็นปานสิตรีมาที่อยู่พิกษุ์เหล่านั้นได้ยินเธอปรึกษากันอยู่หรือเธอเดินปรึกษากันมาที่ใกล้ที่อยู่ของตน ได้ยินก็พึงกระแอมไอหรือบอกว่าเราอยู่ที่นี้ให้เธอรู้แม้ไม่ทําดังนี้นิ่งฟังอยู่คงเป็นป่าจิตตีในอุปสมบัติเป็นติกะประจิตตีในอนุสมบันิเป็นติกะทุกฏไปแอบฟังโดยคิดว่าเราได้ยินเธอเหล่านั้นเราจักเว้นจักงดจับ ก, กระทบจักเรื่องตัวเสียดังนี้ก็ดีก็คือถ้าเราทําผิดเราควจะได้แก้ไขและที่ตู่บ้านเป็นต้นเป็นอนณาบัต ไม่เป็นอบัตสิกาบทค้านี้เป็นอนานุติกะใชใ้เขาไปแอบฟังคนใช้ยังไม่ต้องอบัตติข้อนี้คนฟังนะถึงจะเป็นอบัติมีองค์สามก็คือผู้อื่นเป็นอุปสมบันอย่างหนึง่งมีประสงค์จะโจดอย่างหนึง่งแล้วก็แอบฟังได้ยินอย่างหนึง่งพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นตาจิตตีสมุทฐานในข้อนี้เป็นยยะสัติภาสมุทฐาน สุดทานเหมือนกับพวกเปืียนพวกต่างผู้เป็นโจรชักชวนพวกเพรียนพวกต่างผู้เป็นโจรเดินทางไกลนีสุดบทฐานสองก็คือกระติากกายจิตอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นสิกยากิริยาสิกยาอกิริย า, ย า, ยาบางครั้งต้องเพราะทำบางครั้งต้องเพาะไม่ทาต้องเพราะทำก็เพราะว่าไปแอฟังต้องเพราไม่ทําก็คือไม่บอกเขาว่าตัวเองอยู่ที่นี้ เป็นสัญญาวิโมกขจิตกะโลกวัชชะกายกรรมวิจีกรรมเป็นอกุศรแิจิตแล้วก็ทุกขเวทนาในกรรมะปฏิบาหะสิภาบทที่เก้าสังฆกรรมสี่มีอัปโลกนกรรมเป็นต้นสงจักทำโดยชอบธรรมพิสุใดยอยู่ภายในสีมาจักไม่มาสู่สังฆกรรมนั้นด้วยจิตอันใดอันหนึ่งใหแต่ฉันทะเพื่อกรรมนั้นมาแก่ทิศตุอื่น นั้รรมนั้นสงธรรมแล้วโดยธรรมโดยวินัยภายหลังปรับติเตียนการรบสงเป็นปาจิตติทุกๆคําเลยกรมมปติภาหานะก็คือห้ามตําที่เป็นธรรมแล้วนะให้สรรท่าอันเป็นธรรมแล้วกภายหลังก็ติเตียนบนว่าอันนี้ก็ต้องปติปาจิตติทุกๆคําสมุมฐานสามก็คือเกิดแต่กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเหมือนอนตินาทานเป็นจิรญาสัญญามิโมกขจิติกะโลภะชะกายกรรมมจิกรรมอกุตระิจแล้ก็เป็น ทุกเวทนาอย่างเดียวต่อไปฉันดังอะนักตะวาธรรมะศิขาบทิสิท์ให้ฉันท้าพอใจแจกจีวรให้จีวรกับพิสุแล้วภายหลังก็ถึงทำกุบบนว่าอีกนะสงประชุมกันในสีมาจะระงับอธิกรณ์พิสูผู้โจทย์ผู้จำเลยแจ้งความของตนตนขึ้นสงสมมติพิกิตผู้ซักถามขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ซักไซดความ หรือสมกระทําสังกรรมทั้งสี่สิ่งใดจิ่งหนึ่งตั้งยตัติหรือสวจอนุสาวรนค้างอยู่ที่สุดใดอยู่ในหัตถบาตสงปรารถนาจะให้กรรมนั้นําเริจไม่ให้ฉันทะก่อนแกล้งลุกไปเทียยังไม่ละหัตถบาทสงบริษัทเป็นทุกกฎครั้นละหัตถบาตแล้วเป็นปาจิจตีอ่าข้อนี้อยู่ในหัตถบาตของสงแล้วลุกจากอาสนะไม่ให้ฉันทะนั่ให้ฉันทะก็คือ ตอนเหตุก็พระราชาพุทธคีตเข้าไปในหมู่สงฆ์สงฆ์ก็เลยจะทำกรรมด้วยทํากรรมก็คือจะยกวัดหรือว่าจะติเตียนพวกนี้นะก็เลยหนีนะลุกจากอัณนะเลยไม่ ใ, ให้เจริญทะในท่ากลางสงฆ์ยังกําลังจัดวิธีใช้กันอยู่ถ้ายังไม่ลหัตบาทลุกกไปก็เป็นทุกข์ดลหัตบาตแล้วก็เป็นปัญจตีสงสัยอยู่ในกรรมเป็นธรรมหรือกรรมไม่เป็นธรรมสำคัญว่าเป็นธรรมและสงสัยอยู่ก็ดีเหล่านี้เป็นทุกข์ด รู้อยู่ว่ากรรมไม่เป็นธรรมเป็นอนาบัติรู้ว่าความทะเลาะวิวาจะมีแต่สงหรือสงจากกระทำกรรมไม่เป็นธรรมเป็นวัตรจากทํากรรมแต่คนไม่ควรกรรมดังนี้ก็ดีหรือว่าเป็นไข่หรือลุกไปกด้วยจิตแห่งพิสูจน์ไข่หรือกลั่นอุจาระปัสสาวะหรือไม่ปราถนาจะให้กรรมต่ำเริ่บหรือลุกไปด้วยคิดจะกลับมาก็ดีและที่สูจบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอนาบัต ข่าวบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้ผู้อื่นลุกไปคนใช้ไม่เป็นนะคนลุกอเป็นมีองค์หกคือตัดสินความหรือสังส ก, กัรรมยังค้างอยู่อีกข้อหนึ่งข้อที่สองกรรมนั้นเป็นธรรมข้อที่สามรู้อยู่ว่ากรรมเป็นธรรมข้อที่สีอยู่ในสีมา ด, ด้วยกันกันกบสงข้อที่ห้าตนมีสังวาสเสมอกันกับสงข้อที่หกแล้วสงจะให้กรรมกําเริบแล้วลุกไปมาละหัตถบาลสงเสียพร้อมด้วยองค์หกนี้จึงเป็นปาริยตี สมุทฐานข้อนี้เป็นสมนุุภานะสมุทฐานหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือธุระนิเคตสมุทฐานหมายถึงทอดธุระก็คือไม่ใส่ใจนั่นเองสนุภาพนะนี่เกิดจากสมุทฐานอย่างเดียวก็กายวาสคิตกายวาสคิตเป็นกิริยากิรยกิรยะก็คือต้องข้ะทำและไม่ทำสัญญาวิโมกขจิตกะโลกัลละชาเป็นกายกรรมวจีกรรมแล้วก็เป็นอังกุศลจิตทุกเวทนา ในทัพพระศิกขาบทที่สิบเอ็ดหือว่าในพระบาลีอัจฉกิ า, ากา็าใช้คำว่าทุกพระศิกขาบททุกพร ะ, พะทัพพระทิสตุใด ย, ยอมด้วยสงซึ่งประชุมในสีมาให้ผ้าจีวรซึ่งควรวิับเป็นอย่างต่ำก็คือแปดนิ้วคูณสีนิ้วพระสุคตขึ้นไปเนี่ยนะแกทิสตุที่สงสมมติเป็นพัดตุเทศกะเป็นต้นโดยธรรมเธอทําการสงโดยชอบอยู่ แล้วภายหลังกลับติเตียนว่าพิสุทข์ทั้งหลายน้อมลาบสงให้แก่พิสุุกตามความชอบใจตามมิตรตามสหายดังนี้ต้องปาจิตตีทุกๆุกคำเลยถ้าพร้อมใจกันให้จิวันกับพิสุที่ทําการสงด้วยคำถูกต้องแล้วเนี่ยนะถ้าไปพูดติเตียนบอกว่ า, วาพิสุทข์ทังหลายน้อมลาบสงไปตามชอบใจนี้ต้องบัดปาจิตตีทุกคําสมุทฐานสามเหมือนอสินทานเกิดจากกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิต เป็นกิริยาสัญญาวิโมกช์สจิตุกะโลกวัชชะกายกรรมะชีกรรมแล้วก็เป็นอ ก, กุศลจิตสิกขาบทข้อนี้เป็นทุกขเวทนาต่อไปในปรินามะสิกขาบทที่สิบสองความว่าพิจุใดรู้อยู่ว่าลาบทายกน้อมไปแล้วแก่สงฆ์ด้วยวาจาว่าจักถวายสงฆ์และน้อมมาให้เผาให้แก่บุคคลคือพิจุอื่นเป็นปาจิตตี ไม่ได้ใชทั้งปวงนอกนี้ก็เหมือนกับปริณตาติคขาบทในนิสักขิยาปัจจตินั่นเองแปลแต่ในปริณตาสิคขาบทเป็นนิสสกิยาปัจจตีเพราะน้อมมาเพื่อตนในสคขาบทนี้ชื่อว่าปาริณามะณะชื่อก็คล้ายกันในคบทนี้เป็นแต่ทุทธปาจิตตีไม่ต้องเสียสละของเพราะว่าน้อมไปให้พิจตอื่นเท่านั้นหรือจะน้อมไปให้พิจุอื่นน้อมไปให้ตงหมู่อื่นน้อมไปให้เรก็แล้วแต่ต้องอบัจปาจิตตี ใ น, นการที่สูอื่นเป็นปริยตีนะถ้าในนิสสกิยะปาจิตีปริณตาสิท ธ, ธาบทถ้าเป็นปริณตาสิท ธ, ธาบทนี่อยู่ในปัตตวัต ส, สุดท้ายนิสสกิยาปาจิตีในปัตตวัปริณตาสิท ธ, ธาบทข้อที่สิบก็คือถ้าน้อมล่าของสงมาให้แก่ตนเองต้องนิสสกิยาปัจจตี ถาลาบน้อมแล้วแกสงเนี่ยถ้าสงสัยก็บัตรทุกกฎลาบน้อมไปแก่เจดีย์องค์หนึ่งแล้วที่สูน้อมไปแก่เจดีย์อื่นก็ดีลาบเขาน้อมไปแก่สงหมู่หนึ่งน้อมไปแกสงหมู่อื่นก็ดีน้อมไปแกเจดีย์ก็ดีนี่ต้องบัตรทุกกฎที่สูน้อมไปแก่เจดีย์อื่นน้อมไปแก่สงน้อมแก่คณะแก่บุคคลก็ดีหรือลาบเขาน้อมไปแก่บุคคลแล้ว โดยที่สุดแม้แต่ตัวนักตัวอื่นก็ต้องอบัตรทุกกฎลาบขอน้อมไปแล้วทีสุดทำการว่ายังไม่น้อมก็น้อมมาเพื่อตนเพื่อผู้อื่นก็บัตรทุกกฎหมดตกลงแล้วลาบขอน้อมไปเพื่อส่งแล้วถ้าน้อมมาเพื่อตนต้องอบัตรนี้สกิยาปฏิตีถ้าลาบขอน้อมไปเพื่อส่งแล้วน้อมไปในสอหมู่อื่น เป็นทุกกฎน้องไปแก่บุคคลอื่นจะเป็นญาติผู้้องพี่น้องสัตว์ประชานข้ า, าบัตรทุกกฎแต่ว่าถ้าลาบเขาน้องไปแล้วเพื่อสงน้องมาเพื่อตนถึงจะต้องอบัตรปาจจิตติต่างกันอย่างนี้นะสมุดฐานสามก็คือเกิดแต่กายจิตวาจาจิตใจวาจาจิตแล้วก็เป็นกิริยาสัญญมิโมทะจิตตะกะโลกวัชชะกายกรรมวัจีกรรมอกัตตจิตเป็นเวทนาสามแล้วก็เป็น สมุทฐามเดียวกันกับอัธินาทานทิ่ขาบทเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็คือถ้าลาบสงลาบที่ก็น้อไปเพื่อสงแล้วน้อมมาเพื่อตนต้องอบัติน้สักิยาไปจิตีถ้าน้อมมาเพื่อพิกิตรอื่นต้องอบัตตายจิตีเท่านั้นแต่ถ้าน้อมไปแก่คนอื่นจากนั้นคือน้อมไปสงหมู่อื่นน้อมแก่บุคคลอื่นน้อมไปกับทัศจิตีอะไรพวกนี้ก็ต้องอบัตุกฏหมด นี้สิกบทข้อที่สิบสองในอัถวัชก็คือธรรมนิกวัชที่แปดก็จบแล้วก็สมควรจะเวลาท่านก็ไหลก็ได้จุกตาในพรวินัยคําสอนมุสลามสำมริกาซึ่งประการอธิเสธและสิกขาอธิเสธและสิกขานี้จะเป็นฐานไปที่ตั้งเพื่อกูลแก่อธิจิตติกขาก็คือสมาธิมวลสมาธิตั้งมั่นก็เพื่อกูลกับการระงับนิวร์แล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาเพราะนิวร์นี่เป็นตัวที่ทํำร้ายจิต ปิดบังจิตไม่ให้กูสาลิจิตเกิดแล้วก็ทําปัญญาให้ทุรพลเพราะฉะนั้นถ้าสามารถทีะนิวร์ได้ด้วยอาศัจิตจติกขาด้วยสมาธิก็เพื่อกูลแต่ปัญญาในการที่จะรู้เห็นตังความเป็นจริงไวัท่านทั้งหลายได้ตัดรู้อริยรสัจธรรมคำสอนว่าสมาธิเจ้ารู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็เห็นแจ้งอริยตัตตัดรู้เป็นพระอริเจ้าในการไม่เนินช้าในการนั่นใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ